แทนที่จะตอบแบ่งตามเหตุผลเมื่อพระอานุ์กราบทูลขอร้องจึงทรงแสดงเรื่องการจำแนกกรรมเรื่องใหญ่โดยแสดงถึงบุคคลสี่ประเภทคือหนึ่งทำชั่วแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก 2. ทำชั่วแล้วไปเกิดในสุกติโลกสวรรค์สาม